กำทำบลนิดถ้าไม่พูดอะไรเลยเหมือนก็ไม่อยู่บ้านอยู่วัดพูดกันบ้างสื่อสารกันบ้างเ mm hmm. พ, พื่อรู้จักทิศทางชีวิตเราพันต้องมีทิศทางอย่าหลง mm hmm. ถ้าหลงก็ไปทางไหนก็ไม่ได้ไปจนจนในความหลงเนี่ยมันไม่จ น, มนเหมือนเงินเหมือนทอง จนในความหลงมันมีสรพัดอย่างเกิดเจ็บเจ็บตายได้ทุกโศกล่อมลายเสียใจได้และจนในความหลงต้องมีความรู้ตรงที่มันหลงแ่ะมีความรู้สมัยข้าองพุทธกาดนี้ไม่มากดอกปัญหาต่างๆเหมือนุกวันนีุ้กวันนี้ ปัญหาต่างๆมีมากเหลือเกินถ้าดูปัญหาหลักๆสมัยพระพุทเจ้าก็เห็นแต่การว้าที่ศีรถะได้ค้นหาก็คือการเกิดเจ็บเจ็บตายซึ่งไม่มีคำตอบสมัยก่อนโน้นพระเจ้าปู่พระเจ้าญาพระเจ้าตายพระเจ้ายายก็ตอบไม่ได้ เมื่อมีเกิดต้องมีไม่เกิดเมื่อไม่เจอต้องมีไม่เจอเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตายมองเป็นหกคู่อย่างนี้เป็นพยมจนหาทางลองดูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอาชีพเรื่องอื่นการเมืองการเมืองไม่มีแต่มีบ้านก็ไมาถึงกับเป็นการบ้านเท่าไหร่ การปกครองก็สมัยก่อนจากประเทศเดียก็เป็นแพ่นปกครองตามหัวเมืองตามแพ้นต่างๆแต่ บ, บินลาพัฒต์ก็จะคือปัตนานาราสีอะไรต่างๆเป็นแพ่นไปสิบสี่แพ่นได้ ว, ว่าเป็นรัฐก็ามญญายากให้รวมเป็นเขตการปกครองเดียวน่าจะเศรษฐกิจ ก็มีไม่มากสมัยก่อนแม้แต่ยุคที่หลงตาเกิดมานี้ก็ยังไม่มีปัญหาเท่าตัวก่อนนี้เศรษฐกิจอย่างสารกยจวงศ์นี่ฟังดูสุตโทสนะโกโทธนะโกโทธน ะ, โโะอมิโตธนะปมิตะอมิตาหมายถึงอู่ข้าวอู่น้ําเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําำอวัฒนะนี่หมายถึงทรัพย์ เป็นแหล่งซับหมายถึงข้าวไม่หวดไม่หยาบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแทบจะไม่มีโดยเศรษฐกิจก็มีไม่มากแต่ไม่ก่อนมันมีรถลาไม่มีอะไรต่างๆมากหมายถึงทวนนี้ทวันนี้มีมากแค่แต่อาชีพก็มีมากแต่ไม่ก่อนอาชีพไม่มีหนาก็มีไม่มากตวันนี้มันมีบ้าง ก็มีปัญหาไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับการบริโภคอุปโภคเป็นเรื่องปุ่มเอื่อตไปก็มีจามีงานในการก็มีเผื่อคนอื่นสร้างคุมชนให้คนอื่นได้ปวงมีเศรษฐกิจรวมอยู่จุ ด, ด์ใดยจุดหนึ่งก็รับผิดชอบสมัยก่อนไม่แต่หูข้าหูนน้ำ อย่างประเทศอินเดียเนี่ยนั่งรถเปน็นวันวันเนี่ยทุ่งนาสีเขียวกองผักกองพืชตามทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือ น, นจอมปวกสวันนี้ยังไม่อยู่ทีนี้ทำไมจึงเกิดพุทธศาาจาขึ้นมาเพราะมองเห็นว่าการเคยเจอเจ็บตายเนี่ยเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครตอบ ไ, ได้พระศีตะจึงเป็นการบ้านศึกษาเรื่องนี้ เดิได้คำตอบเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาถ้าเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาก็เผยแพร่การเหนือการเกิดเจริญตายตามหลักวิธีการต่างๆเกิดเป็นศาสนาเกิดเป็นพุทธบริษัทขึ้นมามีการปกครองกันมีทำวินัยมีคําสอนอต่างๆคําสอนอต่างๆก็ไม่เกี่ยวกับการเกิดเจริตายก็มีเ ย, เยอะแยะมากมายการปกครองบ้างการพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับทานเบศีลว่าเกี่ยวกับบุญกุศลบ้างก็มีเพิ่มขึ้นมามากมายเกี่ยวกับทำวินัยว่าปกครองกันเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาไปก็เลยเกิสสดพศต่างๆแต่มืนสี่พันเรื่องมาบรรญัิทีหลังแต่การรู้ทำเข้าไปหาสูการเกิด เ, เ, เจ็บเจบตายมีไม่มากตามหลักก็มีอย่างที่เราศึกษาว่าสติปัญฐาน มีกายานุปจนาสติประธานมีสติเห็นกายหลักที่เขาไปหาการเกิดเจริญตายมองเขาไปทางนี้จากที่สิธะได้หลงทิศหลงทางมาเป็นเวลาหกปีมาได้ทางว่าเออนี่มีสติมาดูกายนี่ดูใจนี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมที่มันแสดง มันโชว์มอดูแล้วมันก็โชว์รูกายกายมันโชว์มันมีอะไรตรงกายบ้างอะไรเป็นปัญหาอันแก้ปัญหาตรงกายมันมีต่วไหนเห็นกายในสติเห็นกายเห็นกายเห็นอย่างไรมาเชื่อตาวตาเนื้อดูมีสติงั้นเราเอมือวางไว้บนเข่าเพื่อมือขึ้นเห็นไหมเห็นยกมือขึ้นเห็นไหมเห็น มันดูแล้วมันเห็นสติมันเห็นมันไม่ใช่รู้เฉยๆมันรู้เห็นเมื่อกายมันแสดงออกมันไม่ใช่กายทำดามันเป็นกายอยู่ในกายซ้อนกันลองไปกายในกายด้วยกายที่เป็นพเป็นชาติเป็นขันธ์หน้ามีพอเห็นมันเป็นกายในกายมันก็ไม่ใช่อันอื่นเป็นสักแต่ว่าไปอันกายในกายกายใหญ่คือกายมหาพุทรลูกคือกายใหญ่นี้ มันก็มีของจริงของไม่จริงไม่มีร้อนมันก็มีร้อนจริงๆแต่ไม่มีตัวร้อนหรือว่ากายในกายไม่มีผู้ร้อนไม่มีผู้โศกผู้ทุกข์ในอาการเหล่านั้นนี่จะเห็นก็ ต, นตอบได้ว่ากายสภาวกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะแยกออกแยกออกกำหนดรู้กำหนดด้วยการแจกแกงกำหนดด้วยการละ กำหนดรู้แล้วไม่พอกำหนดรู้โดยการแจกแจงแกงแจกแกงแล้วไม่พอกำหนดรู้โดยการละเหมือนเราเห็นงูออกหนีจากงูไปแล้วพ้นงูแล้วจึงเรียกว่าไม่มีปัญหาแล้วเห็นกายไม่มีปัญหาเรื่องกายเห็นเวทนาที่บรรจุบรรทุกเกิดกับปายนี้ก็เหมือนกันตามตอบเป็นตัวเดียวกันนีภาวะที่เห็นตอบตัวเดียว ตัวเห็นเป็นตัวตอบไม่ใช่ตัวตอบหาตัวเฉลยเหมือนทำเลขคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เท็กเตอร์อะไรต่างๆไปประกอบไม่มีส่วนประกอบเอาตรงๆเข้าไปเวทนาก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับจิตเวทนาในเวทนาเวทนาล้วนๆไม่เป็นไรเวทนาที่เป็นตัวเป็นตนเป็นทุกขเป็นทุกข์นั่นแะ อันนั้นเลเวะธนาในเวทนาไม่ใช่ตัวตนก็เห็นมันก็แยกไปแยกไปกำลังกระบวนการลื้อถอนมันก็ไปหาเป้าหมายในการเกิดเจอเจ็ตายโดยตรงทางตรงเข้าไปนี้แต่มันไม่ไตรงจริงๆถ้าตรงจริงมันไปไม่ได้ต้องมีอุบาย มือนเราขึ้นเขาหน้าผามันชันขึ้นตรงไม่ได้ต้องเอียงเหมือนทางขึ้นดอยสุเทพยังมัดเชียงบานถ้าขึ้นตรงๆหนเจ็ดกมมันขึ้นไม่ได้ต้องขึ้นอ้อมไปยี่สิบสามกมมันจึงขึ้นได้รถลาขึ้นได้เพราะหน้าต่างหนักขึ้นได้ตอนตาเคยเดินขึ้นสายตรงเจ็ดกะแล้วเดินขึ้นสายไม่ตรงยี่สิบหกกมเดินทำตามทางรถยน์ ก็ลองดูทั้งสองสางเคลนโดยโก็ดิกดงก็ขึ้นตรงไม่มีทางรถชนอาจจะเ้เหนืน่อหยหน่อยถ้าไม่ทนก็ขึ้นมาได้การเห็นตรงๆแต่มันไม่ใช่ตรงรลางกายสภาวกายงั้นมีอุบายแล้วไปเห็นกายเป็นกายมันไม่มีอุบายมันตรงเกินไปมันขึ้นมาได้เ ป, เป็นตัวเป็นโตเป็นตน กายก็มันร่อนก็คือร่อนมันุกคือุกมันทุกคือทุกมันไปไม่ได้ไอ้ก็เห็นเลยว่าเห็นสักแต่ว่ามันลาดแล้วลาดแล้วลาดแล้วไอ้สวกายไอ้เฉจัดบุคคลตัวตนเราเขาเวทนาที่มันฉกเป็นทุกมันลาดลงไปสักว่ามันลาดแล้วถ้าเป็นเวทนาล้วนๆมันไม่ไปได้ไปไม่ได้มันตันหากตามผ้าด้วยเขามันขึ้นไม่ได้มันลาดมาลง เราจึงเห็นาากายสภาวะเวทนาสักวะเวทนาเอาใช่ทางนี้ลองดูอ้าวมันเอียงง่ายง่ยมันง่ายง่ายไม่หนักมันเป็นเครื่องทุนแรงเอาว่าเห็นสัจตว่าสัจตว่ามันทุนแรงแล้วมัยากแต่ก่อนมันล้นล้ว น, วน เ, เวทนาเปสุขเป็นทุกข์ทันทีนนในตัวในตนในเวทนาแน่หนามากจนเป็นดุ้นเป็นก้อนเป็นภพเป็นภูมิอยู่นี้ เมื่อเห็นว่าเวทนาสักว่าเวทนาแล้วเนี่ยมันก็ลอดลงไปย่างลงไปเรื่องที่มันหนักก็กลายเป็นเรื่องเบาเรื่องมันยากกลายเป็นเรื่องง่ายได้มาสร้างความเห็นงานทำไม่แย้งด้วยทั้งเห็นทั้งทำไม่แย้งด้วยเห็นก็เรียกว่ามุตติมุติแปลว่าเห็นแล้วจาคะมุตติจาระจาคะฉันละแล้วย่อยแล้ว ปฏิบูจโคตามธรามจักรที่พระเจ้าแสดงทําให้หมดไปไม่มีที่ตั้งเวทนาไม่มีที่ตั้งตั้งอยู่ในกายก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในเวทนาก็ไม่ได้ในเวทนามันไม่มีเวทตาให้ตั้งมันมีแต่ว่ามันตั้งไม่ได้ถอดออกสักสะพานออกเวทนาก็มีที่ตั้งสุขก็ไม่มีที่ตั้งทุ ก, ก็ไม่มีที่ตั้งกระบวนการมันก็ ไม่ยากนะเมื่อเห็นอะก็มองไปเป็นกระเสออะไรก็เฉลยตรงนี้ได้เลย เ, เห็นจิตก็เหมือนกันเห็นธรรมก็เหมือนกันจนเห็นสี่อย่างนี้กลายาเป็นฐานจิตธรรมเป็นรูปเป็นนามได้หลักได้แหล่งรูปนามมันบอกระบาดนะสูตรมันบอกสูตรทางรูปหางนามมันบอกมันพาไปงั้นทางถูกมันบอกถูกทางผิดมันบอกผิด ก่นเดินทางเขาจึงมีผิดมีถูกมันผิดเพื่อให้เกิดความถูกมันถูกเพื่อให้เกิดความถูกมันทุกเพื่อให้เกิดความไม่ทุกมันก็มีทางไปแบบนี้แต่ก่อเป็นสุขเป็นทุกแบบนี้ว่าเห็นทางเห็นมันสุขมันทุกมันไม่ตันแล้วถ้าเป็นผู้สุขผู้ทุกมันตันแล้วถ้าเห็นมันสุขวันทุกไม่ตันเลยวันน่ะแต่ว่าเออเออไปเรื่อยเรื่อย มันก็มีอันหมู่เนี่ยมันมีอยู่ในโลกเป็นลสชาติของโลกสัตว์โลกก็ติดรสตรงนี้ไปสุขไปทุกข์ผู้เห็นโลกอย่างไงก็ไม่ได้ติดหรอกน่าจะติดไปมีค่าสุขก็ไม่มีค่าทุกข์ก็ไม่มีค่านั่นก็ไวอย่างนี้ทางมันบอกไปอย่างนี้นจากพูดชั้นชัเพียงสองนาทีก็จบแต่ภาคปฏิบัติจริงๆมันจบว่ะแต่ว่าการ เห็นนี่มันเชื่อแยอะเหมือนบอกให้หงข้าวดูสิหงข้าวมันใช่หงข้าวจังละเรียงจะบอกว่าหงข้าวแต่วิธีหงข้าวมันมีขั้นตอนหงเป็นหงไม่เป็นหงยากหงง่ายก็มีขั้นตอนเหมือนบอกต้มไข่ต้มไข่เป็นไหมต้มเป็นถ้ามาเรีดรู้มันก็ไม่ง่ายมันบอกเหมือนเราทางาน กฎว่านไม่ใช่กวดว่านมันก็มีขั้นตอนคนทํางานก็มีผิดมีถูกถ้าไม่ทํางานก็ไม่รู้จากผิดจากทูกตำรวจก็เหมือนกันมาศึกษาชีวิตเหลอันี้ก็เหมือนกันล่ะเนี่ยเป็นสูตรที่กบังภ า, าวะที่เกิดเจ็เจ็บตายได้กระบวนการมันไปทางนี้มันก็ไปตรงๆแบบนี้เมื่อเห็นลูกเห็นน้ำเห็นลูกเห็นน้ำตามกรมจริงลูกน้ําก็บอก มันมีอะไรบ้างอยู่ในรูปในนามนี้มีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มีความใช่ตัวตนในรูปในนามความไม่เที่ยงถ้าเราไม่รู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเรารู้ความไม่เที่ยงเป็นปัญญาถ้าเราไม่รู้ความเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อเราโมลแล้วความเป็ทุกข์ไม่เป็นทุกข์เป็นปัญญาไปเลยไปเพราะมันเห็นเห็นที่มันมีปัญหาเมื่อเลยมีปัญญาอะไรที่เป็นความไม่เที่ยงอะไรที่เป็นความเป็นทุกข์อะไรไม่ใช่ตัวตน มันก็เปลี่ยนไปเป็นปัญญาเป็นปัญญาปัญญาเป็นตัวเฉลยตัวล่างบางของสิ่งต่างๆาง่าอะไรที่มันเกิดขึ้นการเกิดมันไม่ใช่เกิดลักษณะที่มันตามหลักวิธีศัมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยที่มันเห็นได้ไม่มีใครทดลองไม่มีเครื่องมือทดลองเป็นการสัมผัส ด, ด้วยการกระทาของผู้ปฏิบัติ เมื่อไม่เกิดมันก็เป็นการสัมผัสต่อมันเกิดมันเกิดยังไงเกิดสุขเกิดทุกข์ยางไงเกิดแจ่มันเป็นอย่ังไงก็เกิดเป็นทุกข์เหรอชาติปิทุขาชาติปิทุขาชราติอนาทิตาหนังอธิกัรลยานังกโลมิเตวทูตั้งสี่อ้าวเขเกิดเป็นทุกข์ยางงไนไม่ใช่ทุกข์เขาเกิดเพื่ออะไรเพื่อไม่เกิด แล้วไม่เกิดมันไม่มีอะไมันไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์เขเกิดเป็นไปทุกข์ความเจม็บเป็นไปทุกข์ความเจม็บเป็นไปทุกข์ความตานไม่ไทุกข์มันก็ต่อไปเลยปะนะัญหาเดินทาง่บวนนี้มันกระบวนการมันไปทางนี้ไม่ยากปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสีทธะสิทธะได้ข้อเฉลยได้ข้อตอบจากการภาวนาจากกรรมฐานเนี่ยได้ข้อตอ แต่ข้อตอบคื อ, อเห็นกระแสแห่งท่านในพานได้กระแสเป็นยานทัศนะเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นธรรมชาติกฎธรรมชาติธรรมชาติกฎของธรรมชาติอาการธรรมชาติมันมีสิ่งนี้สิ่งนี้มันต่อกันไปเป็นธรรมชาติ มันมีดวงอาทิตย์มีดวงอาทิตย์ก็มีก้อนเมฆมีก้อนเมฆก็มีฝนตกเมื่อมีฝนตกถนนก็เปียกเมื่อถนนเปียกน้มก็ท่วมเมื่อน้ำท่วมก็เกิดการเสียหายเมื่อฝนตกน้าท่วมถนนเปียกเราเดินไปถนนเราก็ลื่นเ่อเราลื่นเราก็ล้มพอเราล้มหัวก็ไปถูกตอกพหัวถูกตอหัวก็แตก พรหัวมันแตกจึงไปหาหมอหมอก็เยียดแผลเขาเยีแผลแผลก็หายกลับบ้านได้มันไม่ใช่เรื่องทุกข์มันเป็นปัญหามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เรามาลู่เราโอ้โอ้โอ้โอ้ก็เลยมีต้เหตุปัจจัยผู้ได้เห็นธรรมพู้นั้นเห็นปฏิจจสมปวารผู้ได้เห็นธรรมพู้นั่นเห็นว่าพุทธเจ้าผู้ได้เห็นว่าพุทธเจ้าพูนเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมพูนนั้นเห็นปฏิจสมปวาร คือเนื่องด้วยกันมีคำตอบง่ายว่าทุกสิ่งทุกถิ่งเกิด ต, ต่เหตุจชดับก็ดับที่เหตุได้คำตอบได้ง่า ย, ายพระอจฉิได้หลักตอนนี้นะเป็นพระ ห, รหันเลยเป็นอาจารย์ของสาริบุตรนะเป็นองค์สุดท้ายด้วยแต่โกนัญญะวันแรกโกนัญญาได้เป็นพระหรันสองวันสามวันบันปะปะพัทธิมานะมะอจฉิ คนสุท้าย เ, ยเอาคิดได้หลักได้หลายเออทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดตัเหต์ต้องดับกรับที่เหตุเลยเอาเท่านี้พอแล้วออกไปเผยแผ่ศาสนาพระเจ้าสั่งเลยเอ้ยพวกเรามีเท่านี้จะถะพิกาเวจะลิกังปาวชนะอิตายะปาวิชนะสุขายะโลกาณกัมปายะไปไปคนละทาง่าไปทางเดียวกันพวกเราไม่เช่นนี้ไปบอก เพื่อประโยชน์ของมวลชนเพื่อความสุขของมวลชนแม้เราก็จะไปยังอุรุเวลาเสนาในข่มบกระดาษปรากฏว่าอาสกินี่เดินวนเวียนอยู่แถวพระราชาสีเน่ยแล้วตําุตอุลุเนี่ยอญยาคนอนยาพระปัตยามหานามะก็อยู่แถวๆนั่นลหละแต่อาสกิอยู่แถวๆนี้ปรากฏว่าสาธิบที่ว่าอุปติสสะ ไปศึกษากับอาจารย์สนใสเวลรต บ, บุตรจบไม่พอใจฮะศึกษาจะมาเจออจิขิบวันใหม่ไม่กี่วันนะมาเห็นหน้าเรื่องใสมาถามอจิก็บอกเอออาตมาบวชใหม่ยังไม่เทศ ไ, ได้ดอกโอ้ขอพูดสักหน่อยก็พอไม่ต้องบวดมากโคตรสักน้อยอจิก็เลยบอกว่ า, วา ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุเท่านั้นสาธุบที้ว่าเป็นมนุษย์อุปติสัจยังไม่บวชนะชื่อว่าอุปติสัมมนุษย์ไม่ดวงตาเห็นธรรมทันทีโอ้ทุกสิ่งทุกข์เกิดแต่เหตุดับก็ดับที่เหตุได้บระลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลขั้นต้นพอใจจะ ก, กล่าวอัจฉริ ขอถึงอาจชิเป็นสานาอาจารย์เป็นที่พึ่งอาจารยก็บอกว่าอย่าเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นชาตราของเราให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นนท์อ๋อปจปติสะถามพรุทธเจ้าตรงไหนโหอยู่ราชคืนนนท์กราบพระอาจชิเดินทางไปพบพพุทธเจ้าต้องเจอด้านมา เอาอาจจะคิดไว้บนหัวอยู่ตลอดเวลาลวเลยขา่าวอาจจะคิดอยู่ตรงไหนปติจจนรอนหันเสียจะไปทนานนั่นเองสืบน้นตลอดเวลาหันหัวไปขอรบไตเท่านี้เหตุเกิดจากเหตุจักที่เหตุพระศาสดาสอนเรื่องนี้ท่านี้แล้วก็อะไรมันก็มีอยู่ตรงนั้นมันหลงหรือ ทำไมมันหลงเพราะไม่รู้ทำไมไม่รู้เพราะไม่มีความรู้ที่บรรทุกเพราะหลงที่บรรโกรธเพราะหลงไม่ใช่ไปห้ามไม่มันทุกไม่ใช่ไปห้ามไม่มันโกรธเพราะมันหลงตรงนี้ก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายถ้าไม่หลงมันก็ไม่มีเกิดก็ขอบคุณมันความเจ็บก็ขอบคนณความเจ็บไม่มีทุกเลยความแก่ก็ขอบคุความแก่ไม่มีใครแก่ผว้แก่ไม่มีใครเจ็บพว้เจ็บไม่มีใครตายพว้ตายเลย ศาสนาต้นๆเกิดแค่นี้พระสงฆ์นั่งหลายก็สอนแค่นี้ต่อมาจึงมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีรูปแบบต่างๆก็ขยายเป็นเป็นวัฒ น, น, น, น, น, นธรรมประเพณีไปสาสิพิธีสอนชนวัตถุสาสนบุคคลสานนธรรมสอชาติพิธีนี่มากมายเต็มบ้านแต่ เ, เมืองสอนชนวัตถุก็มากมายแต่บ้านแต่ เ, เมืองสอสนบุคคลก็ไม่มากมาย เป็นบ้านเต็มวังศาสนธรรมมีอยู่ในหัวใจทุกคนไม่ใช่เป็นข้านอกเลยมีความรู้สึกตัวเป็นศาสนธรรมมีเมตตากรุณาเป็นศาสนธรรมมีความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นศาสนธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศาสนธรรมปันเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันเดียกว่ามีธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นว่าพุทธเจ้า ผู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าพ้นเห็นธรรมผู้ได้เห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นปะฏิจัสมุปาฏิจบาคือมีเหตุเกิดขึ้นดับที่เหตุเกิดแต่เหตุดับที่เหตุเรียกปะฏิจัสมุปบาฏิถ้าเราจะทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์มันเกิดอะไรก่อนที่จะมันทุกมันก็มีเหตุโอ้มันทุกข์มันหลงเนอเราหลงก็เหมือนกันกับคนหลงคนโ่นคือคนทุกข์เขาหลงเนอะคนที่หลงเนแต่ยขวัญเชี่ยไปโกรธเขา น่าเห็นใจคนที่หลงเราหลงก็เหมือนกันถ้าหลงมากก็ทำลายล่างกันได้เพราะคนหลงจึงมีปัญหาต่อโลกเาตัวตายฆ่าคนอื่นตายบางทีก็โลกเอาของคนอื่นมาเป็นของตอนเองเมื่อหลงมากๆก็เดือดร้อนเราจะไปจับคนที่หลงไปฆ่าทิ้งอันก็มไม่ใช่ทำไมเราจึงจะไม่ให้คนหลงเกิดขึ้น มีคุกไปตลาดแล้วมีกฎบังมันก็ยังหลงกันอยู่โอะมีนี้มีกรรมฐานเนี่ยมีกรรมฐานเนี่ยเป็นรากนู่ของการแช่ความหลงเหมือนต้นไม้ความหลงกกับใบไม้แต่มันมีรากที่มันเกิดไปขึ้นมารากความหลงคืออะไรคือมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปมีนามเมื่อเราไม่รู้มันก็หลงตรงนี้ ถ้าเรารู้ตรงนี้ก็ไม่หลงไม่ต้องไปฆ่ากันถ้าเราไปฆ่ากันเหมือนภาคใต้ทุกวันนี้อันก็เดือดร้อนเราก็ต้องช่วยกันทําไงจึงจะมาให้คนหลงก็สอนธรรมะกันในสติมนสัมผัญญะแล้วก็สอนกันอยู่แต่บางคนก็สอนไม่ได้เหมือนบัวใจน้ําำก็มีเหมือนกันปล่อยทิ้งไป เมื่อมันอยู่ไม่ได้กระมู๋ก็จับมันไปติดคุกติดตารางเพื่อให้มันทำให้คนเดือดร้อนมันก็มีรัฐมนูญแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสงบหลายแบบถ้าเราจะอาศัยกรรมาฐานก็ไม่ทันเวลาไม่เพียงพอพอคนเขาหมายถึงตรงนี้มันก็แป๊บเดียวมันก็จบไปเลย ถ้าคนมาเข้าถึงตรงนี้ก็มีเยอะแยะอย่างอาจารย์สนใจเวรัตะบุตดถามอภิษฐร์ว่าคนในโลกนี่คนหลงกับคนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่ากันอภิษาร์ตบอบว่าคนฉลาดมีน้อยคนโง่ไม่มากแลบอกอภิษฐร์ไปไปหาคนฉลาดซะเราจะอยู่คนโง่เลยมันก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่นู้นแล้ว ก็ไม่ใช่อย so you ่างปฏิสระนี่ยมันก็ไม่ไปไหนละก็หลงอยู่ตรงนั้นเราจึงไม่ยาอมจํานวนมันตัวหลงเน่ยเวลามันหลงก็เพี้ยงเป็นตัวลูกขึ้นมาเวลามันโกรธก็ไม่โกรธขึ้นมาลูกขึ้นมาเวลามันทุกข์ก็ลูกขึ้นมาอย่าไปจํานวนมันลองดูเป็นอุปติสะสักหน่อยก็ได้อย่าไปจํานวนตัวความหลงอย่าไปจํานวนตัวความโกรธอย่าไปจำนนตัวความทุกข์ ให้มีความรู้สึกตัววิญญาณแห่งพุท ธ, ธขึ้นมาเรียกพุท ธ, ธจลิทธิ์รวมรู้ของเจอเือกบานขึ้นมาในสิ่งที่มันมืดมนขึ้นมาเราฝึกตนสอนตนอย่างนี้นเราจึงมีไม่มากเอาใส่กระเป๋าเข้าไปยจ่ในตัวเราเวลามัาหลงรู้สึกตัวจะ เวลามันโกรธรู้สึกตัวซะเวลามันมเที่ยงรู้สึกตัวเวลามันทุกรู้สึกตัวเวลาอะไรที่มันแสดงไม่ใช่ตัวใช่ตัวรู้สึกตัวมันก็ไม่มีค่าอะไรหรอกมันก็เหนือ ก, การเกิเจรจะตายได้ในาชาตินี้เอง